หลังจากที่เราไปเดินจเจริญสติปรากฏว่าแทนที่จิตจะได้ไปรู้ในเรื่องการดูส้นเท้าที่ยกขึ้นส้นเท้าที่ก้าวไปเท้าที่เหยียบลงรู้เท้าที่ยกขึ้นรู้เท้าที่ก้าวไปรู้เท้าที่เหยียบลงกลับไปได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะ ความรู้เพิ่มเติมอะไรมั่งฮะอาเคสความรู้เพิ่มเติมอะไรมั่งทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เดินคือความรู้ที่เพิ่มเติมเราออกไปจากที่นี่เราออกไปเพื่อที่จะไปรู้การเคลื่อนไหวของส้นที่มันยกขึ้นเท้าที่ก้าวไปและเท้าที่เหยียบลงใช่ไหมเราต้องการรู้แค่นี้แต่ปรากฏว่าอะไร ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเราได้เรียนรู้อีกเยอะมากทุกความรู้สึกคือสภาวะจะ ไ, ไ ม, มทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะเวลารวมๆสองชั่วโมงมันคือสภาวะทั้งสิน้น อะไรคือสภาวะบอกตรงนี้ทุกความรู้สึกเลีย้อนกลับไปว่าเรามีความรู้สึกอะไรบ้างทุกความรู้สึกคือสภาวะที่เกิดขึ้นทําให้จิตของเราเข้าไปเรียนรู้แต่เราสังเกตไหมบางความรู้สึกมันไม่ได้เรียนรู้แต่มันกลับหลงลงไปปรุงอยู่กับความรู้สึกนั้น จนกระทั่งมันเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นทุกขเวทนาทุกความรู้สึกคือสาภาวะที่เกิดขึ้นทำให้เราได้มีโอกาสการเรียนรู้แต่เราเผลอเราไม่ได้เรียนรู้มันแต่เรากลับจมไปในความรู้สึกแต่ละสาภาวะแต่ละความรู้สึกที่มันเกิดจนในความรู้สึกแต่ละความรู้สึกนั้นมีเรา อยู่ในนั้นทั้งตัวเลยมันลึงออกมาในลักษณะของความเฮ้ยร้อนเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยลำบากเฮ้ยหดหดเพราะอะไรเพราะเราเอาเราทั้งตัวไปอยู่ในความรู้สึกในสาภาวะอันทุกๆความรู้สึกคือสาภาวะถ้าเราเอาเราไปไว้ในสาภาวะนั้นเมื่อใด เราจะเป็นไปตามสภาวะนั้นสภาวะนั้นมันจะเป็นเราขึ้นมาทันทีถ้าสภาวะร้อนกลางกุแล้วเราไปอยู่ในสภาวะนั้นเราก็จะร้อนทันทีแท้ที่จริงมันเป็นอะไรแท้ที่จริงมันคือสภาวะรู้ตัวหนึ่งสังเกตดูไหมรู้ตัวหนึ่งความรู้สึกตัวหนึ่ง ทุกๆความรู้สึกคือสภ า, าวะคือมันเกิดและมันหายไปเกิดได้มันหายไปเกิดและมันหายไปแต่ตอนที่มันเกิดเราตัวเอาตัวรู้รู้รู้รรในฐานะที่เป็นเราเนีย่ยมันดันไปอยู่ในความรู้สึกนั้นพอเราไปอยู่ในความรู้สึกนั้นความรู้สึกนั้นเป็นอะไรเราก็เป็นอนันต์นี่เป็นหลักของปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดเป็นการเกิดพบเกิดจัดในที่สุดมันปรุงไปสู่อะไรทุกๆทุกๆเรียกว่าทุกสมุทัยทวาร เป็นสายที่จะทำให้ไปสุดอยู่ที่ทุกนี่เป็นกลลเม็ดของธรรมชาติที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราเผลอจากการใช้ปัญญาไม่ได้เลยเราจะประมาทกับมันไม่ได้เลยสังเกตเราออกจากที่นี่ตั้งใจเต็มที่ใช่ไหมโอ้โห ได้วิทยายุทธไปแล้วนี่ได้วิทยายุทธไปแล้วนี่กะว่าออกไปนี่เพื่อที่จะยกรู้ย่างรู้เยียบรู้ไปได้เดินไปกลับไม่ทันถึงสองเที่ยวสามเที่ยวไปไงเกิดความรู้สึกอย่างนั้นปรากฏความรู้สึกอย่างนีน้ปรากฏความรู้สึกอย่างโน้นปรากฏความรู้สึกอย่างนั้นปรากฏพอแรกๆมันเกิดความรู้สึกใหม่ๆเป็นไงปล่อยเพราะ เรายังมีความมุ่งมั่นอยู่มันเกิดความรู้สึกอะไรมันก็ชั่งเราก็ยกรู้ย่างรู้เหยียบรู้ยกรู้ย่างรู้เหยียบรู้พอมีความรู้สึกอะไรมาปั๊บจิตเริ่มสั่นสะเทือนจิตที่สั่นสะเทือนหมายความว่าพอมีความรู้สึกอะไรมารบกวนจิตเริ่มสั่นสะเทือนไม่ไปออกความรู้สึกนั้นแต่หลุดออกไปคิดระึงนี่เริ่มสั่นสะเทือน แต่เราก็ยังถ้าความมุ่งมั่นยังมีอยู่นะมเอาไปคิดกลับมายกอึดยางปอยยังไปได้อยู่ไปได้อยู่พอในระยะเวลาหนึ่งความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วมันเกิดขึ้นใหม่มันรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเช่นความร้อยความร้อนความเหนื่อยความเมื่อยความล้าที่มันเกิดขึ้นความปวดเกิดขึ้นตอนนั้นเราเป็นไงเป็นไงเรา เข้าไปอยู่ในความรู้สึกนั้นพอความปวดเกิดเราเข้าไปอยู่ในความปวดเราเลยปวดพอความร้อนเกิดเราเข้าไปอยู่ในความร้อนเราเลยร้อนความเมื่อยเกิดเราเข้าไปอยู่ในความเมื่อยเราเลยเมื่อยทุกๆความรู้สึกคือสภาวะถ้าเราเอารู้ของเราที่รู้คอยรู้อยู่นี้เข้าไปอยู่ในความรู้สึกอันใดความรู้สึกนั้น จะเป็นขึ้นมาทันทีถึงบอกลองย้อนกลับไปพิจารณารู้ถึงความรู้สึกที่เกิดพอเราออกไปนี่เราตั้งใจจะไปดูยกรู้อย่างรู้เยยบรู้ยกรู้อย่างรู้เยบอยู่รู้รู้อางรู้โอ้แล้วความรู้สึกอีกเยอะแยะมากมายทุกความรู้สึกคือสภาวะทุกสภาวะมันเกิดขึ้นและมันก็หายไป ทุกสภาวะเกิดขึ้นแล้วหายไปดูสิที่เราไปเดินอยู่เมื่อกี้นี่ประมาณสองชั่วโมงเยอะมากตอนนี้เป็นไงมันหายไปแล้วแต่บางความรู้สึกมันยังกลายพันุ์อยู่ด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของอะไรสัญญาและอุปาทาน Uh huh. เดินตรงโน้นอ่ะมันมีความรู้สึกจนกระทั่งเราเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนั้นแล้วเราร้อนเราเหนื่อยเราทุกตรงนั้นแล้วมันดับไปแล้วตอนนี้เรามานั่งตรงนี้ไอ้นั่นมันดับไปแล้วแต่สัญญาและอุปาทานที่ยึดมัน่นถือมั่นในสภาวะนั้นยังอยู่เพราะมันยังอยู่ จิตเรายังพยายามที่จะไปปรุงกับสภาวะที่เกิดระดับไปแล้วยังมีอยู่อันนี้เรียกว่าอำนาจของอุปาทานนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดมาเป็นพบเป็นชาติมันปกติไหมมันปกติชาวบ้านชาวช่องเขาก็อยู่กันอย่างนี้แหละแต่คนที่ตื่นหมายความว่าสติกับสมาธิที่มันมีกำลังมากพอและมันตื่นมันจะปล่อยวางเพราะฉะนั้น จากตรงนี้จะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังเขาเรียกว่าจิตเหนือความคิดเวลามันเกิดสภาวะเวลาเราเข้าไปอยู่สภาวะอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดความคิดมันเกิดใช่ไหมความคิดมันเกิดเวลามันเกิดความรู้สึกร้อนแล้วเราเข้าไปอยู่ในในสภาวะที่ร้อนเราก็ร้อนใช่ไหมมันมีความคิดเกิดแล้วทีนี้ โอ้ยมันร้อนเหลือเกินโอยเนี่ยแตเดีย๋ยวเด๋ยวก็มันมีแรงปรารถนาเกิดมาก็ว่านี่ถ้าได้หยุดตอนนี้นะได้น้ําเย็นเย็นในแอร์เย็นเย็นมันมีความปรารถนาเกิดมาแล้วเออแล้วก็พอสักพักหนึ่งโทสะจะมาโทสะนี่เขาจะมาในฐานะของอะไรในฐานะของปฏิคานุสใสคืออํานาจของอนุใสที่ละเอียดนอนเนื่องอยู่ในสันดานของเรา ที่เขามีความไม่ชอบในหลายๆายเรื่องอยู่พอมันเกิดมันเกิดที่เราเกิดความรู้สึกที่เราต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะเกิดความไม่ชอบแล้วอาการที่จะตามมาด้วยอำนาจของปฏิคานุสัยก็คือหุดหิตหุดหิตแล้วพอหุดหิตสภาพแวกล้อมทั้งปวงเป็นไงสภาพแวกล้อมทั้งปวงจะเป็นเหยื่อของปฏิฆะ จากแต่เดิมนี่เรามองดูโอ้โหใบรากานี่ดีนะสวยประตูนี่ โ, โหโหทองก็ระบายนุกงามมองอะไรแม่งก็หุ่นหิตหมดอ่ะทีนี้ <c oughs> เพราะทุกอย่างเป็นเหยื่อของปฏติคานุสัยอันนี้คือจิตจมอยู่กับความคิดแต่แต่ถ้าเราถอยกลับไปสู่ความตั้งต้น ถอยกรุบวางว่าไม่เอาเราเข้าไปอยู่ในสภาวะแต่แน่วแน่อยู่ตรงไหนแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้เอารู้วางอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ก็คือยังคงแน่วแน่อยู่กับกิริยาการเคลื่อนไหวของเท้าอะไรเกิดก็แค่รู้มันแล้วกลับมาอะไรเกิดแค่รู้มันแล้วก็กลับมาอะไรเกิดแค่รู้มันแล้วก็กลับมาร้อนเกิดก็แค่รู้มันแล้วก็กลับมา เมื่อเกิดก็แค่รู้มันแล้วก็กลับมาอะไรเกิดก็แค่รู้มันแล้วก็กลับมาแค่รู้มันแล้วกลับมาตรงนี้จิตเราจะอยู่เหนือจากความคิดเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นอิสระจากทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอิสระจากทุกสภาวะที่ปรากฏตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมมันจะเป็นอิสระต่อทุกเรื่องที่เกิดจะเป็นอิสระต่อทุกสภาวะที่ปรากฏ อันนี้ยังไม่ใช่สูงส่งอะไรนะยังไม่ส่งเลยเพียงแค่ไม่เอาเราไปอยู่ในสภาวะถ้าถ้าตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำพอเห็นบ่อน้าถ้าเรากระโดดลงไปบ่อน้ำเราไปไงเปียกถูกปะ่ะเออแต่เมื่อเราแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้เช่นรู้อยู่ในส้นที่มันยกขึ้นรู้อยู่เท้าที่ย่างไป รู้ต่อเท้าที่เหยียบลงใจเย็นๆรู้ไปอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้จะแน่วแน่อยู่กับกิริยาที่มันเคลื่อนไหวอยู่คือรู้เพราะนัเรื่องทั้งหลายที่เป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นจิตก็แค่ข้าไปเลยรู้แล้วก็กลับมาแค่รู้แล้วก็กลับมาแค่รู้แล้วก็กลับมาร้อนก็แค่รู้ว่าร้อนเกิด เมื่อยก็แค่รู้ว่าเมื่อยเหนื่อยก็แค่รู้ว่าเหนื่อยปวดก็แค่รู้ว่าปวดแต่มันยังคงแน่แน่ต่อสิ่งที่ถูกรู้กันไป<ม>เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เกิดจิตจะเป็นอิสระต่อสุขเรื่องที่ปรากฏเรียกว่าเป็นอิสระจากสภาวะนั่นก็คือเป็นอิสระจากความคิดจะไม่ไปปล่อยให้คิดชุ่มแช่อยู่กับสภาวะอนไดที่ปรากฏอันนี้มันมันมันง่ายๆที่เราบอกว่าจิตเหนือความคิดยากไหม ไม่ยากถ้าเ้ามีที่อยู่ถ้าเ็ามีเครื่องรู้เครื่องรู้ที่ไม่ปรุงแต่งไปสู่ความเป็นอย่างอื่นสังเกตไหมเวลาส้นเท้ายกขึ้นเรารู้สึกกับสน้นเท้ายกขึ้นไอ้รู้ที่รู้ต่อสน้นเท้าที่ยกขึ้นมันจะปรุงแต่งเป็นอะไรไหมจะปรุงแต่งเป็นการมราคะได้ไหมปรุงแต่งเป็นโทสะได้ไหมปรุงแต่งเป็นโบรลภาได้ไหมไม่ปรุงแต่งเป็นอะไรได้เลยเพราะเรารู้ตรงกัไปต่อสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ ถ้ารู้อย่างนี้จะเรียกว่ากิริยาเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตรู้ของเรามันเป็นเครื่องอยู่ของจิตรู้มันซื่อตรงนี้ยตรงอย่างเนี้ยแต่ถ้ามันหลุดออกจากตรงนี้เมื่อใดมันไปตามเรื่องที่ปรากฏเรื่องที่ปรากฏทุกทุกเรื่องถ้าจิตเราหลุดออกไปแล้วก็ไปจมอยู่กับมันเราก็จะเป็นอย่างนั้นทันที ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นเหยื่อของสิ่งที่ปรากฏนั้นด้วยอลองนึกย้อนทบทวนลองนึกย้อนทบทวนว่านอกจากรู้สึกต่อส้นเท้าที่ยกขึ้นรู้สึกต่อเท้าที่เข้าไปรู้สึกต่อเท้าที่เหยียบลงนั้นมีความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นอันตมาเรียกว่าความรู้สึกแต่จำไว้ว่าทุกความรู้สึกคือสภาวะ ทุกความรู้สึกที่เกิดมันเป็นสภาวะทั้งนั้นเลยเพราะทุกสภาวะมันมีการเกิดขึ้นเคยพูดในควังไงยังอุปาทะอะไรอีกเ น, เนี่ยลืมเคยได้ยินแล้วใช่ไหมแต่ลืมอุปาทะทิติเออแม่ริวนี่ ไม่มีอะไรอยู่อุป า, าทถิติพังคะทุกความรู้สึกที่เกิดมันเป็นเพียงแค่อุปาตะคือเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่พังคะดับไปถ้าไม่เชื่อย้อนกลับไปพิจารณา การย้อนกลับไปเรียกว่าทำอนุปัสนาลองย้อนกลับไปสองชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเดินโอ้ยความรู้สึกเยอะไหมบวยเยอะไหมเยอะมากปั้นเยอะไหมเยอะเลยดิแต่บทาเยอะไหมเยอะทุกคนอะเยอะแต่ละความรู้สึกคือสภาวะมีเหมือนกันเลยอุปาทธ ที่ติพังคะพออยู่ข้างบนนี้ก็สบายหน่อยข้างบนนี้ก็หลายๆความรู้สึกไม่เกิดนะข้างบนนี้ก็จะสบายหน่อยเพราะพัดลมมันหลายตัวแต่ยิ่งข้างล่างน้่นนะโอ้ยอย่างเยอะเลยยิ่งเดินบนพื้นหินนะพื้นหินเป็นไงเท้ามันจะปวดเดินย่ำไปนานๆมันจะปวดแต่ตอนนี้เป็นไง ไม่ใช่มันหายนะมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรไม่ใช่มันหายเป็นเป็นอะไรให้มันสมกับนักปฏิบัติมันเป็นอะไรมันดับใช่ไหมเออมันดับอ๋อทีนี้เรามองเข้าไปเพื่อการศึกษาเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะที่มันเกิดส่วนหนึ่งมันมาจากอะไรมันมาจากธาต มันมาจากการเคลื่อนไหวของธาตุมันมาจากอาการของธาตุที่สแสดงออกมาธาตุคืออะไรธาตุคือคุณสมบัติเดิมๆที่มันประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของเรามีอะไรมัง่งดินน้ำไฟลมอ่าวและดินน้ำไฟลมไอ้ทำไมถึงบอกว่ามันเป็น คุณสมบัติของธาตุดินมันเป็นลักษณะยังไงฮะดินมันลักษณะของดินก็เข้นแข็งเวลาเ้าสแสดงอาการของธาตุดินอาการเ็าจะเป็นยังไงอาการของธาตุดินเป็นแบบไหนฮะอาการของธาตุดินก็คือหยาบอ่อนแข็งนุ่ม นี่ลาธาดินละเอียดถ้าเราจะหาความหยาบของธาดินเราหาได้ไหมฮะเช่นเนี่ยรูปเนี้ยได้ความรู้สึกหยาบหยาบไหมสักสา ก, สากไหมเนี่ยเนี่ยอาการของธาดินอ่ อ, อน นีอ่อนนุนม่มแข็ง <c oughs> เป็นลักษณะอาการของธาตุดินอาการของธาตุน้ําเป็นไงเกาะกลุ่มเอิบอาบอาการของธาตุลมเป็นไงอาการของธาตุลมอ่ะ <c oughs> อาการของธาตุลม อาการของธาตุไยไม่ต้องบอกเลยวูบวับใช่ไหมอาการของธาตุลมก็คือเย็นใช่ไหมล่ะเย็นอุน่นนี่คืออาการของธาตุที่เกาะ ก, ก็คือมาเป็นเป็นร่างกายของเราที น, นี้ให้เราสังเกตดูว่า ทุกความรู้สึกที่เรารู้สึกในขณะที่เรารู้การเคลื่อนไหวของเทา้ามันมีความรู้สึกไหนที่ไม่เนื่องด้วยอาการของธาตุมั่งฮะมีไหมที่มันไม่ได้เนื่องกับอาการของธาตุเลยที่มันไม่ได้เนื่องกับร้อนอ่อนแข็งหยาบที่ไม่ได้เนื่องกับ ธาตุดินไม่ได้เนื่องกับธาตุน้ำไม่ได้เนื่องกับธาตุลมไม่ได้เนื่องกับธาตุไฟมีไหมมีไหมจาไว้เลยสิ่งที่เรารู้สึกได้และมันเนื่องกับธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟจาไว้ว่ามันคือสอภาวะในส่วนของรูปเออทีนี้มันจะมีความรู้สึกที่ไม่ได้เนื่องกับดินน้ำลมไฟนี่เลยอะ แต่มันจะเนื่องอยู่สิ่งซึ่งไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเลยมีปะไอวัฒนายิ้มเลยรู้ชัดเลยใช่ไหมรู้จะไม่จะพูดเรื่องอะไรลู้มันเรียกว่านา้าเกิดจากน้าเป็นเหตุน้าคืออะไรความเหนื่งนึกกังบนปริพเทัน้งหลายแหลหความเหนื่งวกเังบอเช้าอืธ คือตอนแรกมันไม่เกิดไงตอนแรกมันไม่เกิดพอเดินไปสักพักหนึ่งอะจิตรู้ที่รู้การเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ยพอโดนเวทนาโดนสภาวะทั้งหลายมันเคยยี่เบียดขึ้นมาเกิด ข, ข, ข, ขึ้นมาและรู้ไม่เท่าทันตัวรู้ก็จะอ่อนลงพอตัวรู้อ่อนลงนั่นหมายความว่าสติสมาธิน่ะมันอ่อนกำลังลงพอสติกับสมาธิอ่อนกำลังลงอสาาวะและอวิชชาโภหกทั้งหลายมีกาลัง อาสวะอวิชชาโบงะที่เขามีกำลังเขาจะทำยังไงเขาก็จะดึงจิตเราออกไปเวลาดึงจิตเราออกไปดึงไปไหนดึงไปสู่ความคุ้นเคยดึงไปสู่ความคุ้นเคยที่มันชอบที่มันมีที่มันเคยปรากฏทันทีเลยเพราะจิตตอนนั้นมันเหมือนกับปลาที่เรานายพรานเขาจับขึ้นมาวางไว้บนบกมันทาไงอะ มันดินดินเพื่อหาอะไรหาน้ำเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นในสภาวะที่มันปรากฏแต่ไม่ได้เนื่องด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอันนั้นน่ะเป็นส่วนที่เนื่องด้วยน้ำเวลาเนื่องด้วยน้ำมันมาจากอะไรสัญญาเวทนาและวิญญาณทั้งนั้นอันตัวแรกอะ่ะ ที่เป็นความรู้สึกติดเนื่องด้วยธาตุดินน้ำลมไฟพวกร้อนพวกเมื่อยพวกเจ็บพวกปวดพวกไอนั่นนี่ยอยู่ในรูปขันทั้งนั้นเพราะนั้นนี่กาลังบอกถึงเรื่องอะไรเรื่องรูปเรื่องนามหรือเรื่องความปรากฏของขันห้าแล้วเข้าใจยังว่าที่พระพุทธเจ้าว่าขั้นขันห้านั้นเป็นทุกข์ สร้างคิดเตนะปัญจุปาธานัขันธาทุก้าสรุปแล้วความยึดมั่นถือมั่นในขันทังห้า น, นี่แหละคือความทุกข์ออย่างอื่นนี่ขี้ประติวหมดเลยไอที่ปรากฏต่อพวกเราเมื่อตกี้สองเชือบองนะ่ะที่อยู่ในรูปแบบของความทุกข์ที่มันแปลเปลี่ยนขึ้นมาจากการเป็นสภาวะทั้งหมดนั้นนะ่ะนั่นคือการแสดงฤทธิดเดชของอะไร ความปรากฏของฤทธิเดชของขันห้าในฐานะที่เป็นตัวที่ถูกอุปาทานคือจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่กับขันห้าแล้วก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วนึกสภาพสิอ่านึกสภาพนึกสภาพปรุงหน่อยนี่นะปรุงปรุงปรุงปรุงปงุปรุงด้วยสตินึกสภาพดูสิเมื่อตะกี้เราเดินสงชั่วโมงเมื่อกี้ ที่ก็โล่งสบายไม่มีใครมารบกวนไม่มีอันตรายภายนอกใดๆเข้ามาเลยที่เราเดินอยู่นั้นผลที่ปรากฏคืออะไรทุกข์ใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าในขันนี้มันจะมีทุกข์มากกว่านั้นเป็นล้านล้านเท่าซึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับเรา เราจะต้องเจอในฐานะที่มันเป็นขันเนี่ยอีกเป็นล้านล้านเท่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไงยาตปริญญาคือให้รู้ทุกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย ทุกเราจะทำอะไรกับเขาไม่ได้เราทำได้อย่างเดียวคือรู้ใช่ไหมต้องรู้รู้มันเท่านั้นน่ะรู้มันเท่านั้นน่ะทำอะไรไม่ได้ต่อให้เราร้องจนหมดเสียงก็ทำอะไรไม่ได้ทำาอะ ไ, ไม่ได้เลยเราทำได้อย่างเดียว คือรู้รู้เท่านั้นท่านเรียกว่าญาติปิญญาคือกำหนดรู้ด้วยการรู้เข้าไปแล้วมันมีเหตุผลที่มาของแต่ละสภาวะของขันทั้งปวงที่ปรากฏเมื่อกี้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมีกันที่มาของมันที่มาของมันน่ะก็เรียกว่าสมุทัย พระพุทธเจ้าให้เราทําไงฮะให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนรู้แล้วละมันถ้าไม่รู้ละได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นเหตุเหตุของมันอะ่ะคือตัวสมุไทยพระพุทธเจ้าให้รู้ก่อนนะให้รู้ก่อนอืมแต่ถ้าเรารู้ทุกจนจบแล้ว เราก็จะรู้เหตุของมันเมื่อเรารู้เหตุแล้วเราจะวางเหตุมันได้ถ้าเราวางเหตุมันแล้วมันจะเกิดสภาวะที่ชื่อว่าดับได้หยุดได้ในหลักของกระบวนการอริยสัจมันไม่มีอะไรมากเลยระหว่างที่พวกเราเดินอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่เต็มเต็มที่มันเกิดคืออะไรคือทุกข์สั์มันไม่เป็นอริยสัจ เพราะว่ามันปรากฏแค่ทุกข์กษัตริย์และเราจัดการไม่ครบเราจัดการมันไม่ได้แค่นั้นเองแต่ให้รู้ว่าเวลาเวลามันปรากฏเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่คือว่าสิ่งที่ปรากฏกับพวกเราเนี่ยของพระพุทธเจ้านี่จะมีความรู้ปรากฏครบมันจึงเกิดเป็นนิโรธไงพอผ่านมาสองชั่วโมงมานั่งตรงนี้มันหมดไปแล้ว ไอสิ่งที่เกิดมาเมื่อตะกี้มันดับไปหมดแล้วมันดับไปได้ไงโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันดับนะใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดไม่ได้ตั้งใจให้มันดับมันเกิดของมันเองและมันดับของมันเองเพราะฉะนั้นสภาวะทั้งหมดที่ปรากฏมันจึงเหมือนกันเหมือนกันโดยธรรมชาติของเขาด้วยความเป็นสัจจะของมันแต่พอเราเข้ามาในนั่งในศาลานี้ตอนลงมานั่งใหม่ ขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหมหยุดการเดินขึ้นมาก็พอไอ้เต๋ไปตามหรือเปล่าขึ้นมาใหม่ๆมมานั่งเนี่ยเป็นไงเกิดความเบาใจสบายเบาใจพอนั่งไปสักพักหนึ่งเป็นไงเป็นไงยะพอนั่งไปสักพักหนึ่งมันมาอีกแล้วแล้วมันแปลกไหมไม่แปลก มันมาเดิมเดมเมื่อยปวดเน็บทำไมมันจึงมาตัวเดิมเดิมอีกแล้วเพราะมันเป็นอาการของอะไรอาการของธาตุนั่นเองเอออาการของธาตุนั่นเองมันปรากฏขึ้นมาในลักษณะของรู ป, ปรขัน และในขณะเดียวกันถ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับรู ป, ปรขันไม่เกี่ยวกับธาตุสีมันเกิดมัน ม, มีไหมมีไหมมีอันนั้นเป็นอะไรนามแล้วเข้าใจแล้วยังอ่ะที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแค่รูปกับนามที่เรียกว่ารูปปรมัต คือความจริงอันถูงสุดของรูปก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความจริงอันถูงสุดของนามที่เป็นนามประมาทก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกๆความรู้สึกที่มันได้เกิดมาเมื่อกี้ที่มันสําคัญนักสําคัญหนามันมีอํานาจมีบทบาทเหลือเกินแท้จริงมันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปมีอะไรเหนือไปกว่านี้ไหมไม่มีที่มีอยู่เหนือกว่านี้ก็คืออะไรคืออุปาทานคือความยึดถือในสภาวะที่มันเกิดพมมันยึดถือไปยึดถือตามอานาจของอะไรตามอนาจของสัญญาสัญญาว่าอะไรสัญญาว่าเราสัญญาความคาดหมายว่าเป็นเรานี่อะอาหัง อหางการะมะมังการามานาุนัสจำทันไหมอหางการะมะมะมะมังการามา น, านุใสก็คืออนุสัสหมายถึงมานะที่มันขวางลึกอยู่ออกมาด้วยลักษณะที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเนีย่ยอาหังการะมะมังการามา น, านุใส ย, ยาว อารมณ์ใสความละเอียดอ่อนที่มันฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของเราเนี่ยซึ่งแสดงออกมาในลักษณะที่การถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอาหางนี่เป็นเรามะมังนี่เป็นของเราอาการว่าเป็นเราอาการว่าเป็นของเราซึ่งมันฝังลึกอยู่มันปลุกขึ้นมาด้วยอำนาจของสัญญาพอสัญญาตัวนี้ปลุกออกมาหรือที่เขาเรียกอัศมิมานะ มันก็ออกมาให้มันยังคงเหลือเป็นเชื้อสำหรับที่จะเพาะต่อไปไอ้เชื้อนี่สสำคัญไอ้เชื้อตัวนี้สำคัญเชื้อตัวนี้มันเหมือนกับความชื้นหรือยางของระหว่างเม็ดข้าวสารกับเม็ดข้าว เ, เปลือกรู้จักข้าวเปลือกใช่ไหมรู้จักใช่ไหมไอ้ข้าวเปลือกข้างในเป็นข้าวสารไอ้เชื้อที่เชื่อมกันระหว่างข้าวสารกับข้าวเปลือก ถ้าเมื่อใดดึงข้าวสารออกมาจากข้าวเปลือกเชื้อนั้นขาดหมายความว่าอะไรแม้เอาเม็ดข้าวสารยัดใส่กลับเข้าไปใน้าเปลือกเราไปเพาะมันจะติดไหมไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วแต่มันจะติดอยู่ได้เนี่ยตราบใดที่เม็ดข้าวสารยังอยู่ในข้าวเปลือกมันแหง้งแห้งดูมันแห้แห้งแต่เมื่อเราไปพรมน้ำสักพักหนึ่งมันก็จะแตกนอกเป็นต้นกล้าขึ้นมาได้มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเชื้อเนี่ยแหละ อาหางการะมะมังการามา น, านุใยที่พูดนี่ไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นเนื่องอยู่ในข้างในเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเชื่อมอยู่เนี่ยแล้วมันจะเป็นตัวที่จะคอยเป็นตัวที่จะคอยสร้างสร้างสั ญ, ญลักษณ์สร้างนิมิตสร้างภาพสร้างมายาเพื่อที่จะให้เรา เข้าไปอยู่ในภาพลักษณ์ในสั ญ, ญลักษณ์ในนิมิตในมายานั้นจนเราต้องใช้อหังการะมมังการมามนานุัยในภาพลักษณ์นิมิตสัญญานั้นๆว่าเป็นเราเป็นของเราทีนี้ถ้าในมินิมิตภาพลักษณ์มายานั้นๆที่มันปรากฏไม่ว่ามันจะเป็นอะไร เราก็เป็นอันนั้นและเราก็จะสําคัญว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรให้จิตเหนือจากความคิดคือเหนือจากการที่จะต้องไปจมอยู่กับภาพลักษณ์นิมิตมายาต่างๆเหล่านั้นอ่ะก็ต้องไปนแน่ๆอยู่กับอะไรยกก็รู้ยกทนขึ้นรู้ย่างไปรู้เหยียบไปรู้ยกไปรู้ย่างไปรู้เหยียบไปยุยก และถ้าแน่วแน่อย่างนั้นจิตไม่ตกอยู่ในภาพลักษณมายาจิตไม่ตกอยู่ในความรู้สึกติไม่ตกอยู่ในสภาวะที่ปรากฏรู้ที่รู้ต่อการเคลื่อนไหวของเท้าก็จะแข็งแรงขึ้นเมื่อแข็งแรงไปสักระยะหนึ่งมันก็จะลุทะลุเข้าไปสู่ฉันทะเวลาเข้าไปสู่ฉันทะแล้วทีนี้มันไม่มีแล้วจิตจะแน่วแน่อยู่กับปัจจุบันส้นเท้าที่ยกขึ้นเป็นปัจจุบันขณะจิตที่รู้ ต่อสนเท้าที่ยกขึ้นต่อกิริยาที่ส้นเท้ายกขึ้นนั้นเป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมกับปัจจุบันการเกิดขึ้นด้วยกันอย่างนี้แหละเรียกว่าปัจจุบันแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสภาพธรรมใดปรากฏในปัจจุบันให้แน่วแน่รู้ชัดในสภาพธรรมนั้นอันเนี้ยตรงนี้แหละไอ้จิตมันก็สภาวะอะไรที่มันเกิดขึ้นจิตมันก็แค่รู้อะ มันแค่รู้ไม่โดดลงไปไม่จมลงไปแค่รู้แค่รู้พอแค่รู้ไป pp, เหมือนเรานั่งรถไฟเออนั่งรถไฟไปเชียงใหม่เคยนั่งไหมจะยกตัวอย่างนั่งเครื่องบินก็ไม่ได้ว่าเครื่องบินไม่เห็นอะไรเลยต้รถไฟเรานั่งรถไฟไปเชียงใหม่ในระหว่างที่เรานั่งรถไฟเนี่ยเราก็เห็นข้างๆใช่ไหมเห็นสวนดอกไม้เห็นอ่า อ, อะไรนะชิงชาสวรรค์เห็นโน่นเห็นนี่เห็นไปเรื่อย ไม่ความเป็นจริงเราแน่วแน่กับการที่จะไปเชียงใหม่นั่งรถไยใช่ไหมเราแน่วแน่อยู่กับการนั่งรถไฟไอสิ่งที่มันปรากฏที่มันเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าต่างที่เราเห็นเห็นเราทํายังไงมันก็แค่รู้ใช่ไหมก็แค่รู้แค่ดูแค่เห็นแค่รู้แค่ดูแค่เห็นเห็นเสาชิงช้าเอ้ยไม่ใช่สองช้าเลยวะชิงช้าสวรรค์เห็นชิงช้าสวรรค์ทําไมไม่กระโดดลงไปแล้วก็ไปนั่งอ่ะเราไม่ทําอย่างนั้นถูกไหมเพราะสติกับสมาธิ ที่เรามีอยู่กับสภาวะนณขณะนั้นตัวรู้นั้นน่ะมันแข็งแรงกว่าการที่จะโดดลงไปสู่มายาสู่ภาพลักษณ์อย่างนั้นอแล้วทําไมเวลาเรามาเดินจงกลมเวลาเรามานั่งสมาธิเออเออๆามาใช้เอามาใช้เ อ, อมาเออมาใช้ลพิ จ, จารณาดูเวลาเรานั่งสมาธิอตอนนี้เรารู้การเคลื่อนไหว ท้นเท้ายกขึ้นรู้ย่างไปรู้เหยียบไปรู้ยกขึ้นรู้ย่างไปรู้เหยียบไปรู้ยกขึ้นรู้ย่างไปรู้เหยียบไปรู้ยกขึ้นรู้ย่างไปรู้เหยียบไปรู้แล้วมันมีชิงช้าสวรรค์มาทำไมเราไปกระโดดไปกรรมนาฮะรู้ไหมว่าตอนเรากระโดดไปสู่ชิงช้าสวรรค์นั้นคือเราลงจากลงจากอะไรลงจากรถไฟแล้วการเดินทางเป็นไปเชียงใหม่ของเราเป็นไงสิ้นสุดลงแล้วมันจะต้องทาไง เดินกลับมาขึ้นรถไฟใหม่ต้องมากลับมาขึ้นรถไฟใหม่อันเนี้ยพูดเพื่อให้เกิดความรู้นะได้เข้าใจถึงกลลเม็รของธรรมชาติที่เป็นสภาวธรรมที่มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเป็นไปตามอานาจของธรรมเมืม่อเช้าที่บอกว่าสติมันก็มีอยู่สองอย่างสมาธิมันก็มีอยู่สองอย่าง ความเพียรมันก็มีอยู่สองสองอย่างแต่ที่แน่ๆเราใช้ความเพียรใช้สติใช้สมาธิตลอดเวลาและที่แน่ๆเราปรารถนาผลของมิจฉาสติอสมาติเราปรารถนาผลของสัมมาวิมาเราปรารถนาผลของสมา ม, าาางสมาสมาธิแต่เราดำเดินตามอำนาจของมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมา อันนี้เข้าใจปะ่ะเ่าใดวะถ้าเรามีความรู้เราสามารถเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้นะมันก็เหมือนกับเข้าไปศึกษาชีวิตของตัวเราเองแล้วมันสนุกมันสนุกมันสนุกกับอะไรรู้ไหมมันสนุกกับว่ามันจริงอะ่ะพอมันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแล้วลงไปดูชีวิตรูปนามกายใจของเรามันก็เห็นจริงตามนั้นพอเห็นจริงตามนั้นมันก็สนุกอ่ะ เขาเรียกว่าเกิดความบันเทิงเกิดความบันเทิงขึ้นมาจิตก็จะตื่นขึ้นมาให้นั่งเผลอปั๊บไปได้แหละเผลอปั๊บง่วงเผลอปั๊บง่วงเผลอปั๊บง่วงเผลอปั๊บง่วงเพราะจิตมันไม่บันเทิงมันไม่รื่นเริงอแมงก็ต้องถือเนี่ยแมงหิมะขามป้อมจะได้บันเทิงเรียกว่ามาขาป้อมบันเทิง เรื่องเหล่านี้รับรองได้เราจะหาความรู้ไม่ได้คือฟังอาตมาพูดอย่างเดียวแป๊บเดียวมันก็หายหมดมันจะต้องปฏิบตัติอย่างที่เราเดินมาสองชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเยอะแยะหมดแล้วผอมาฟังอธิบายให้ฟังเนี่ยมันจึงจะไปจนูนกันกับสภาวะที่เกิดมันดึงเข้าใจใครที่เข้าใจว่าอ๋ออ๋อจบไปเป็นตั ว, ตว นั่นคือความรู้ที่ไปรองรับสภาวะที่มันปรากฏที่มันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่เข้าถึงชั่วโมงที่เมื่อกี้คำนี้จำไม่ขึ้นใจนะอหังการะมะมังการมามานุใสจำไม่ดีนะคำนี้ คำนี้เป็นตัวที่หลอกลวงเราสร้างโครงสร้างมันหลอกลวงและมันสร้างโครงขึ้นมาทำให้เราเห็นเหมือนเราเดินในทางไกลผ่านทะเลทรายที่หิวกระหายน้ำอย่างแรงมองขึ้นไปข้างหน้าเห็นระยิบระยับระยิบระยับระยิบระยับระยิบระยับิระยับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาที่เขาเรียกว่าพยับแดดแต่พอเดินเข้าไปใกล้จริงๆแล้วเป็นไงไม่มี ไม่มีหรือเหมือนเดินไปในทะเลทรายความกระหายน้ําอย่างแรงมองไปข้างหน้าใช่ไหเห็นพื้นเขียวชะอมเสมือนหนึ่งว่ามีแหล่งน้ําขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าเราก็เร่งรีบมุ่งเดินเดินเดินเดินเดินิ น, น, น, นพอไปถึงไปไงไม่มีไม่มีหรือเหมือนชายนมที่เป็นช่าง ประสงค์ที่จะหาไม้แก่นมาทำเป็นเสาบ้านเดินขึ้นไปเข้าไปในป่าเจอต้นกล้วยตรงชูโอ้โหมันมมีไม้ไหนตรงเท่าต้นกล้วยแล้วตัดต้นกล้วยตัดล่างตัดบนโอ้ยตัดก็ง่ายอีกตัดล่างตัดปลายแบกแบกขนแบกมาที่บ้านเตรียมจะทำแก่นก็เริ่มลงมือปอกเพื่อหาแก่นเป็นไง เห็นมันตรงดีทนต้นใหญ่พอปอกไปทีละกาบทีละกาบทีละกาบทีละกาบเจอไหมไม่เจอเนี่ยอะหังการะมะมังการามานุใสมันสร้างเรือนร่างเพื่อที่จะหลอกลวงเราแล้วให้เรายึดติดกับมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเป็นส่วนเป็นที่เป็นเป็นข้าวโครงเป็นสิ่งต่างๆจนจิตเราแตก กระสาน ส, สั้นเส้นกระเจิดกระเจิงออกไปเป็นหุ้นส่วนต่างๆของอาหางการะมะมังการามานานุสัยที่มันสร้างขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่อะไรเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราของเราชื่อนามสกุลพ่อแม่ปู่ย่าตายายคู่ครองลูกหลานไรเริ่มเลยนะเริ่ปเลยนะ โอ้ยฉันทําอะไรไม่ได้เกียผมไม่ได้หรอกเดีเดี๋ยวนี่ลูกเดี๋ยวนี่ปู่เดี๋ยวนี่พ่อเดี๋ยวนี่ญาเดี๋ยวนี่ตาเดี๋ยวนี่ยายนี่แค่นี้เองนี่แค่เริ่มนะอ้าวหลังจากนั้นก็สร้างสังคมวัฒนธรรมประเพณีอีกเยอะแยะมากมายแล้วในที่สุดมันก็สร้างค่าต่อสิ่งเหล่านั้นให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ให้เราเนี่ย ผูกไว้ผูกไว้ผูกไว้ยึดโยงยึดใหญ่ไว้แล้วสรุปลงมาเป็นตัวเรากับของเราตัวเรากับของเราตัวเรากับของเราตัวเรากับของเราอันนี้คืออะหังการะมะมังการามานานุใสจำสิจำสิเอาพูดพร้อมกันสิแมอหังการะมะมังการา มานานุใสจำไว้เลยเกิดกี่พบกี่ชาติจำคำนี้ไว้ชาติหน้าถ้า ย, ยังไม่ได้นิพันชาติหน้าเกิดมาอีกนะจำไม่ได้ตั้งแต่เด็กๆท่องไว้ให้ขึ้นใจให้มันปักอยู่ที่จิตอยู่ที่วิญญาณมันตัวเดียวสร้างภาพลักษณ์ธรรมนิมิตธรรมมายาสร้างข้าวโครงสร้างเรื่องราวให้เราหลงเข้าไปแล้วสำคัญหมาย ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเราก็อยู่กับมันนั่นทำงานนัเป็นเป็นหัวหน้าอย่างเป็นหัวหน้าใช่ไหมโอเป็นพออก็เป็นอะไรเราใครเป็นพออเราเป็นพออเป็นหัวหน้าเราเป็นอะไรทดสอบดูเถอะในชีวิตเราตั้งแต่เราจำความทำด้าความได้มาจนถึงวันนี้ทุกเรื่องที่เป็นข้าวโครงถูกสร้างขึ้น แล้วเราไม่ฉลาดกับมันจนเราต้องไปเป็นในสิ่งนั้นๆๆๆๆนั้น น, น, น, น, น, น, นั่นมันคือข้าวโครงที่อะหังการะมะมังการานุใสสร้างขึ้นตอนพระพุทธเจ้าตรัตตุรัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงว่าดูก่อนตัญหาผู้กระทําซึ่งเรือน <c oughs> พระพุทธเจ้าพระพเจ้าท่านพูดของท่านเองนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับคนที่ไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเกิดเกิดอะไรอะ เกิดสุนตรีอ่ะเกิดอะไรวะจะพูดยังไงดีวะมันเกิดอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็หัมเพลงออกมาเหมือนพูะเจ้าเดินทางมายู่เาานานมากจนวันนั้นปจิตประจัทรรูร้มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นอิสระจากถิงทั้งปวงแล้วเนี่ยพูเจ้าเลยทำดูก่อนตันหาผู้กระทำซึ่งเรือน บัดนี้เราได้รื้อโครงสร้างทั้งหมดของเจ้าแล้วเจ้าไม่สามารถที่จะสร้างโครงร่างสร้างเรือนให้เราอีกต่อไปเรารื้อสิ่งต่างๆหักซี่โครงอันจะเป็นตัวเชื่อมสำหรับให้เจ้าสร้างเรือนร่างได้แล้วพระพเจ้ามันเป็นการหัามของพระพุทธเจ้าที่มันแบบ พระพุทธเจ้าหัมเพลงหลายทีนะเหมือนเดินไปตามน้าตกเออเหมือนเหมือนคนรบไปเต่าดาน้ําตกชายทะเลแถวธรรมป่าธรรมชาติอะ่ะไปไปถึงมันเกิดความรู้สึกไว้ให้มันสบายอกสบายใจแล้วหัมเพลงออกมาพระพุทธเจ้าต้นตัตตารู้พระรพุทธเจ้าก็หัมเพลงมันนะเพลงที่พระพุทธเจ้ า, าอะ่ะมีเพลงอะไรบ้างเคยได้ยินไหมเช่น อวิชาปัจยาสังขาราสังขาราปัจยาบิน ญ, ญาหนังเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรอาริวเรี ว, รวโอ้เสียงหายเล ย, เยวลยิดีโอเพลง ค, คือเพลงปฏิจสมุบาติปฏิ <c oughs> จสมุบาติยังเหมือนกันยะด า, าเวปัตุปวันติธรร ม, มาอ้นี้เรียกว่าพุทธอุทานพระพุทธเจ้าอุทานออกมา เพราะฉะนั้นให้จำไว้เหอะอาหารการะมะมันการามา น, านุสัยตัวนี้อ่ะมันจะทำให้เราตายไม่เป็นแก่ไม่เป็น เ, ออเจ็บไม่เป็นจนไม่เป็นแพ้ไม่เป็นยอมไม่เป็นอะไรต่างๆก็มันเป็นอยู่นั่นะมันจะต้อง เป็นเราเป็นของเราอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความเป็นเราความเป็นของเรายัางคงอยู่แล้วก็พวกบริษัทต่างๆอะพวกบิวตี้ทั้งหลายแหละเห็นไหมมันทําสปอนเซอร์โฆษณาหลอกไอพก้พวกเว้พวกเนี้ยนี่ถ้าพูดไปมันโดนพวกเรามั่งบปล่ไหมรู้พวกเดี๋ยวไปทํานูน่นทํานี่เยอะแยะไปหมดอะ แล้วก็มีนะไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเพื่ออะไรสมัยก่อนต้องไปเดินอยู่ตรงโรงพยาบาลรามาธิบดีรู้ไหมเวลาเราสักคิ้วเวลาเราสักคิ้วเพื่อให้คิ้วเรามันดูสวยดูดีอ่ะแล้วเวลาเราเป็นมะเร็งอ่ะก็ให้คีโมอ่ะเวลาเราก็ให้คีโมแล้วก็ผมร่วงคิ้วร่วงหมด แล้วทีนี้เราก็ผมใช่ไหมและไอ้คิ้วเราเราไปสากไว้โกงเนี่ยเวลาเขาให้คีโมทีนี้ไอ้ผมมันร่วงขนร่วงหมดแต่คิ้วมันยังดาปีมองก็ไปมันไม่เป็นขนแล้วเว้ยทีนี้เพราะขนมันหลุดหมดมันเป็นมึกเกียวเกลียวหมุกมเกียวเกียวทีนี้มันผมด้วยมันก็ย่นลงมาปกปกอยู่ที่ไอ้ไอ้ไอ้เปลือกตา แต่ก่อนเราสักเราบอกกะว่าจะให้มันสวยมากแต่นีพ้พอมาถึงตอนนี้มันขี้เลยชิบหายเลยทีเนี้ยสมัยก่อนตอนมาไปเดินอยู่ที่รามานะไอ้พวกที่เดินตามหลังเป็นพยาบาลเป็นพวกพนักงานการเดินเนี่ยบอกพวกมึงสักคิ้วว่กูจะไม่มาเยี่ยมเลยนะเพราะพราเวลาเป็นมะเร็งแล้วโอ้โหมันพร้อมได้คิ้วที่แต่ก่อนมันตึงเงี้ยแล้วมันก็จะโยนลงมาเนี่ย ไอ้ถามที่ไปสักสักเพื่ออะไรรู้วะฮะสักเพื่อเราเพื่อไอ้ไอไอคนที่ไปสักมาแล้วก็อย่าเสียใจนะไม่ได้ว่าแต่ว่าเพื่ออธิบายสภาวะให้รู้จักว่าอาหางการะมะมังการามานานุใสคืออะไรไอันนี้แหละพวกที่ต้องบินไปเกาหลีนู่นน่ะ ทือทำกันนะเสร็จแล้วเป็นไงมันเราจริงไหมมันของเราจริงไหมจริงไหมไม่จริงสัก อ, อย่างหงแต่มันหลอกเราพระพเจ้าถึงบอกว่าดูก่อนตั้หาผู้กระทาซึ่งเรือนดูก่อนตั้หาผู้กระทำซึ่งเรื อ, อ น, นร เ, รอเราหรือเจ้าออกได้แล้วเจ้าไม่สามารถที่จะสร้างเรือนและลากเราเข้าไปสู่เรือนนั้นได้อีกต่อไป เพราะฉะนั้นแม่นพวกเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เราปรารถนาผลของสัมมาสติปรารถนาผลของสัมมาสมาธิปรารถนาผลของสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นมากๆที่เราจะต้องดำเนินในตามเส้นทางของสัมมาสติเราจาเป็นจะต้องดำเนินในเส้นทางของสัมมาวายามะและสัมมาส ม, มาธิ ถ้าเราดำเดินในตามเส้นทางของมิจฉาวามาะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเราปรารถนาผลของมันไม่ได้เลยเออเอาง่ายๆถ้าว่าที่อาามาพูดจริงหรือไม่จริงถามอย่างนี้เราต้องการความทุกข์ไหม ต้องการความทุกไหมไม่มีใครต้องการความทุกแต่ความทุกเกิดจากมิจฉาสติความทุกเกิดจากมิจฉาสมาธิความทุกเกิดจากมิจฉาวายมะแต่เราไม่ต้องการความทุกขแต่เราดําเนินตามมิจฉาสติดําเนินตามมิจฉาวายมะดําเนินตามมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นความทุกมันยังคงมีอยู่ต่อเราร่ําไปเราเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกมันก็จะต้องทุกอย่างอย่างนี้แหละทั้งๆที่เราไม่ปรารถนา ที่ที่เราต้องดิ้นรนดิ้นรนไปเกาหลีดิ้นรนทำสัญญากรรมดิ้นรนไปทำอย่างนั้นดิ้นรนไปทำอย่างนี้ดิ้นรนไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อมาทำให้เราดูดีเพราะอะไรเพราะเราต้องการความสุขใช่ไหมเราอยากมีความสุขเราอยากมีความสำเร็จเราอยากมีความทุกอย่างที่มันดูดีไปเทียบทั้งปวงอะ่ะ ทุกอย่างที่มันดูดีไปทั้งปวงนั้นน่ะเราต้องการเราปรารถนามันมากถึงขนาดต้องใช้เงินต้องหาหมอดูต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบนบานสันกล่าวต้องทำนั่นทำนี่เราปรารถนาเราปรารถนาแต่สิ่งนั้นๆมันไม่สามารถได้ด้วยการกระทาอย่างนั้น ความสุขที่เราได้มาจากการทําอย่างนั้นมันตั้งอยู่ชั่วคราบชั่วคราวแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปในที่สุดเราก็แสวงหาต่อเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุปัจจัยอันใดเลยที่จะหยิบยืน่นหรือป้อนความสุขเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ด้วยหลักของมิจฉาไวยามะด้วยหลักของมิจฉาสติด้วยหลักของมิจฉ า, าสมาธิมันจึงจําเป็น ที่เราจะต้องดำเนินตามมิตรสัมมาสติสัมมาวายมะสัมมาสติหลีกเลี่ยงดีดดิ้นไปอย่างไรไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะเป็นใครถ้าเมื่อก่อน 2,600 กว่าปีที่แล้วมันก็ดิ้นกันไปเยอะ 2,600 กกว่าปีที่แล้วมนุษย์เราวิ่งบูชาภูเขาบูชาต้นไม้บูชาก้อนหินบูชาพระจันทร์บูชาพระอาทิตย์เออ บูชาจอมปลวกบูชาต้นไม้ใหญ่ๆหญ่บูชาป่าบูชาแม่น้ำบูชาสมมุติสัตว์ในตำนานแล้วยกขึ้นมาบูชาพญานาคบูช า, เ, าเทวดาแล้วก็สรุปความว่าโล ก, กเจ้าโลกกระถาโลกกระธาตุทั้งปวงมีเทวดาเป็นผู้สร้างมีเทวดาเป็นผู้รักษา เราจะสุขหรือเราจะทุกข์ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องไหววอนสวดมนต์อ้อนวอนบวงสรวงให้เทพเจ้านั้นนั้นประทานความสุขให้กับเราเราจึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ 2,600 กอกว่าปีที่แล้วมันปาดกระหนากันแบบนี้แต่มันไม่เคยได้ไม่เคยได้พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถาก็เกิดมาในโครงสร้างของโลกแบบนี้ แต่ก็เห็นว่าไม่เคยได้ไม่เคยได้ความสุขจริงๆแล้วในที่สุดสละทั้งหมดแล้วออกมาสแสวงหาว่าสิ่งที่มันจะเป็นความสุขจริงๆให้มันตรงต่อกับสิ่งที่มนุษย์ทั้งปวงสแสวงหาอยู่นั้นมันคืออะไรแล้วในที่สุดก็รู้ได้ สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้และสอนสืบทอดมาจนถึงวันนี้และวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งและมันประกาศชัดเจนว่าเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาผลของสัมมาสติปรารถนาผลของสัมมาสมาธิปรารถนาผลของสัมมาวายามะมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องดำเนินตามหลักของสัมมาสติใช่ไหมจำเป็นที่เราจะต้องดาเนินตามหลักของสัมมาสมาธิ จำเป็นที่เราจะต้องดำเนินตามหลักของสัมมาวายามะมันแค่อ่านหนังสือไม่ได้แค่ฟังก็ไม่ได้มันจะต้องฝึกเจริญสติให้ขึ้นมาเป็นสัมมาสติมันจะต้องฝึกเจริญสมาธิให้เขาขึ้นมาสู่สัมมาสมาธิที่เป็นความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปล่าประกาศอยู่สม่าเสมอรกระตุ้นเตือนผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าว่า สมาธิงพิกขเวภาเวทะเธอจงจะเริญสมาธิเธอขาดไม่ได้สุสมาฮิโตพิกขเวภิกุยถาภูตังปชานาติเพราะไอพิกษุทั้งหลายเพราะภิกสุผู้มีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอะไรอ่ะที่ว่ามันเป็นจริงเป็นจรแค่อย่างนี้แหละเป็นจริงคือไม่หลงไปในสภาวะใดๆ ไ, ไม่ไปยึดในสภาวะใดใด เป็นจริงคือมันถอดถอนอาหางการะมะมังการามานานุัสออกไปไอ้นี่เป้าหมายของมันนี่เราฟังอย่างนี้และเราเห็นการปฏิบัติแบบแบบนี้มันยากไหมอะ่ะมันไม่ยากที่มันยากคืออะไรคือความต่อเนื่องรู้สนเท้าที่ยก รู้ในกิริยาของเท้าที่เคลื่อนไหวเนี่ยส้นเท้ายกขึ้น ร, รู้ย่างไปรู้เหยียบลงรู้รู้ลมหายใจที่เคลื่อนไหวลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้า ร, าา ร, าารู้มันยากไหมมันไม่ยากแต่การรู้ให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันยากเพราะความรู้ที่ต่อเนื่องไปเรื่อยเ ร, อยรู้ที่แข็งแรงนั้นแหละจะเป็นสมาธิมันจะทําให้เกิดกําลังขึ้นมาสําหรับที่จะไปเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นทุกอย่างความเป็นจริงก็คือว่า อะไรเห็นเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรเห็นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดและเวลาเราเห็นมันตามความเป็นจริงเราจะจะรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเลยและเราก็ไม่ได้ไปเป็นอะไรเลยอะไรก็ไม่ได้มาเป็นของเราเลยเราไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรก็ไม่เป็นของเราเลยเห็นอย่างนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า อาหางการะมะมังการามานานุใสมันเป็นยังไงมันถูกเด็ดยอดพอมันหมดเรียกว่ามันถูกถอนรากรู้จักต้นอุตพิดไหมฮะต้นอุตพิดไม่รู้จักอะ ไ, ไปวันอายุมากมากรู้จักปะรู้จกักเยอแามารีรู้จักไหมมาลีสุบงคนรู้จักอุตพิดไหม เออรู้จักยะมันส่งกลิ่นเป็นไงเหม็นมากเวลาอุตพิษมันมาเนี่ยคนทำไงอะเหม็นอยู่ไม่เป็นสุกเลยก็ไปถึงก็ถางถางผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นไงเหม็นต่อเพราะอะไรรากมันยังอยู่ เพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นยังไงต้องถอนราก mm hmm. การถอนรากของอุติษทาให้อุติษหายไปได้ฉันใดการทำสมาธิอาศัยกำลังสมาธิที่มีอยู่และเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงจะถอนอาหารการะมะมังการามา น, านุสัยได้อย่างนั้น mm hmm. แล้วเรานะ อยู่ไม่กี่วันเราก็ตายแล้วไม่ได้แช่งนะโยมนะแต่มาก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันอยู่ไม่กี่วันแล้วเราก็ตายแล้วพระพุทธเจ้า ต, ต, ตรัสรู้ทิ้งมานี่เรานี่โชคดีมากที่เกิดมาปีพุทธศักราชสองพเรายังได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเรายังได้มีโอกาสรู้อริยสัจเรายังได้มีโอกาสรู้ว่าศีลสมาธิปัญญา เรายังได้มีโอกาสรู้จักคำว่าสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาส ม, มาธิเรายังมีโอกาสได้รู้จักสิ่งเหล่านี้ถ้าห่างจากนี้ไปอีกกี่ปีไม่รู้เราจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่โอกาสเราเนี่โอโ้โหมันโคตรจะหฮงห่งจริงๆนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เหมือนอะไรมันเหมือนกับคน ดำมหาสมุทรขุดทองขึ้นมาดำมหาสมุทรมหาสมุทรว้างไหมโอ้โหแล้วมีทองอยู่สีแท่งอยู่ในมหาสมุทรแล้วมีคนหนึ่งดำลงมหาสมุทรเพื่ขุดหาทองสีแท่งอะ่ะมันยากไหมเออแต่เราโชคดีไหมล่ะมีคนดำมหาสมุทรขุดทองสีแท่งขึ้นมาให้เราแล้ว ใช่ไหมเออแล้วเราจะปล่อยเราแก่ตายไปเฉยเหรอมันไม่สมควรแล้วไอ้ที่ยังหนุ่มหนุมเด็กๆกอยู่คิดเหรอมันจะหนุ่มเด็กอยู่กี่วันอบุยเมื่อก่อนก็เป็นวัยรุ่นไม่ใช่เหรอไอ้พวกที่หนุ่มหนุ่มสาวสาวสวยสวยอ่ะมันจะเป็นอยู่กี่วันแป๊บเดียวไงเดี๋ยวเนี้ เวลาเดี๋ยวนี้โอ้โหห่างกันไม่กี่ปียมชนพิษตอนนี้เท่าไหร่ย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองสอบบรรจุใหม่ๆดิเป็นครูไม่ใช่เหรอฮะเออสมัยตอนเป็นครูแล้วสาวเป็นไงฮะมาวันนี้เป็นไง ระยะเวลาจากตัวนั้นมาถึงตัวนี้มันนานไหมมันนานไหมล่ะโชคดีที่ยังไม่ตายโชคดีที่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นอย่าให้โอกาสทองอันตมาจะเรียกว่าตรงนี้วล้ะอย่าให้โอกาสทอง ที่เราได้เกิดมาแล้วมีคนดำมาหาสมุทรขุดทองมาสี่แท่งมาให้เราแล้วนะจงเข้าไปเสวยทองนั้นอย่าไปเอาลูกกรวดกวดหินดินทรายที่ไม่ใช่ทองอีกเลยเพราะว่ากรวดหินดินทรายนะมันเต็มมาหาสมุทรมันเยอะไปหมดอะแต่ทองมันมีอยู่สี่แท่ง มหาบุรุษขุดมาให้เราแล้วมันไม่มีใครเราไปขุดมาได้นอกจากพระพุทธเจ้านี่แหละทองสีแดงก็คืออริยศาสตร์และคำสอนสำหรับที่จะนำพาเราเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าให้โอกาสนี้เสียไปปลุกขวัญกำลังใจสร้างสร้างกำลังใจให้กับตัวเองสำหรับที่จะสู้กับ สภาวะทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานับจากนาทีนี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่จะอยู่ตลอดคืนนี้นะอาญานะเข้าใจนะปลูกขวัญกำลังใจพระพูทธเจ้านี่แต่ละพบแต่ละชาติที่บำเพ็ญบรารมีนะคนที่จะเป็นพระพูทธเจ้าได้โยมนึกดิจะต้องมีคุณสมบัติจิตจะต้องมีคุณสมบัติพร้อมสาหรับที่จะเข้าไปรู้พระสัพพัญยุตยาน แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อที่ปฏิบัติที่บำเพ็ญบา ร, รมีนั้นอะ่ะโห้ยมันยากเย็นแสนเกินจนปัจจุบันยังมีคนมาโจมตีด่าว่าสมัยที่ทรงเป็นพระเวชนดรหาว่าพระเจ้าดิเห็นแก่ ต, ตัวเอาแต่ความฉุกรักความฉุกรักรักสันโดษทิ้งลูกทิ้งเมียเงี่ยเพราะมันเอาอะไรมาพูดมันเอาความคิดของมันไงเอากิเลสมันไงเอาสภาพที่มันเป็นไง เอาอหังการะมะมังการามานานุใสของมันนะมาพูดใช่ไหมละ่ะแต่ของพระพุทธเจ้าที่จะทําทแต่ละอย่างแต่ละข้อแต่ละข้อท่านเอาอะไรเอาปณิธานที่เรียกว่าพระมหากรุณามหากรุณาอันสืบเนื่องจากมองเห็นสัตว์อย่างพวกท่านนี่แหละแต่ตอนนั้นนะพวกท่านยังไม่รู้ด้วยซ้ํำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นยังไงอริยสี่เป็นยังไง มองเห็นสังสารสัตว์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตายไปเกิดแล้วตายไปเกิดแล้วตายไประวางที่เกิดมานั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์เท่านั้นส่วนสิ่งที่ชื่อว่าสุขๆุๆมันเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นมารยาปิดบังให้ไปชั่วระยะขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ในที่สุดแล้วชุ่มด้วยน้ำตา ชุ่มด้วยน้ําตาแล้วตายไปชุ่มด้วยน้ําตาแล้วตายไปชุ่มด้วยน้ําตาแล้วตายไปทุกภพทุกชาติพระโพธิสัตว์มองเห็นสังสารสัตว์เป็นแบบนี้จงเกิดเป็นพระมหากรุณาดวงใหญ่ฉนั้นพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันรวมถึงชื่ออะไรนะโดรวมถึงโดด้วยเป่ารวมด้วยไหมรวมด้วยรวมด้วยไหมไม่มีใครรอดพ้นจากตาข่ายของมหากรุณาของพระพุทธเจ้า มันผู้ที่มีมหาการุณาที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มันจึงทำทานที่ยิ่งกว่าทานรักษาศีลที่ยิ่งกว่าศีลบักษาบาเพ็ญขันติที่ยิ่งกว่าขันติทำสัจจะที่ยิ่งกว่าสัจจะทำอุเบกขาที่ยิ่งกว่าอุเบกขารักษาศีลเนี่ยยิ่งกว่าจามารีรักษาขนหางให้ทาน เ, เหมือนบุคคลฟั่มภาชนะ จามารีรักษาคนหางเป็นไงวะเคยรู้จักจามารีไหมรู้จักไหมใครไม่รู้จักจามารีถ้าตอนนี้อ่ะขอเชิญไปเที่ยวแถวลี่เจียงลี่เจียงเซนกิลลาเนี่ยติดกับเทือกเขาลาซาในประเทศจีนในเทือกเขานั้นจะมีคนเลี้ยง จมะรีมันจะมาเคยไปแล้วได้เขามันมาด้วยไปที่ตักชาจัมมรีรักษาขนหางจริงๆแต่ก่อนสงสัยว่ามันมันคืออะไรวะเขามาเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญบา ร, รมีรักษาศีล น, นั้นยิ่งเหมือนจัมมรีรักษาขนหางเพราะไปโดยจัมมรีเนี่ยต่อให้มันต้องตายนะลมหายใจเฮลือกสุดท้ายที่มีอยู่ทั้งหมดจะทุ่มเทเข้าไปสู่หางของมัน หววหางมากเออแม่พระพุทธเจ้าจะเข้าใจเปรียบเขาจะฆ่ามันเนี่ยเขาจะเชือดคอมันเนี่ยเพื่อสุดท้ายที่มันจะตายนะมันจ้องตะวัดหางและชายสายตาชำเลืองมองหางของมันโอ้มันหววหางมากเนี่ยก็บอกรักษาศีลเหมือนจามารีรักษาคนหาง ต่อให้ตรงคอขาดตายมันก็ยังไม่ยอมเสียขนหางของมันไปนี่แต่ละข้อแต่ละข้อที่คนอย่างพระพุทธเจ้าท่านที่ท่านทำได้ทุกข้อเพราะอะไรเพราะตะกายของมหากรุณานี i มันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่จนไม่สามารถมีอะไรมาทดทานได้สมัยเป็นเจ้าชายศรีธะกระแสสังคมในยุคนั้นมันถูกสร้างขึ้นมา ว่าเมื่อเป็นเจ้าชายเป็นรัชชายาตเป็นมกุฎราชกุมารแล้วจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นเบญจกัลยาณีอ้าวตุดท้ายท่านได้ใครพระนางพระนางอะไรอ่ะอย่ามาสิริมหาห า, ายานะพระนางอะไรเออพระนางพิมพาเนี่ยนะ แต่พอแต่งงานแต่งงานอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเจ้าชายฤาตาแต่งงานอายุกี่กวบโอยโดตอบได้ไหมถ้ารูตอบได้นี่พวกนี้จะปลดออกให้หมดเลย <laughs> <laughs> แต่งงานอายุเท่าไหร่ฮะ <laughs> เอาไว้แนะ่เอาไวนะ้แน่ฮะ ฮะสิบเก้าโอ้โหเลขหกเลขเก้าตัวเดียวกันสิบหกจำไหมนะแต่งงานอายุสิบหกแต่มีพระโอรสตอนอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อายุพระพิจาจ้ามีพระโอรสตอนอายุเท่าไหร่โอ้โหเหมือนข้าโรงเรียนเลยกูอายุเท่าไหร่ฮะไม่ชีอายุเท่าไหร่ ไม่มั่นใจวันทาอายุเท่าไหร่ฮะสามสิบอเปิ้ลอายุเท่าไหร่ไม่รู้ริวฮะออกบวชอายุเท่าไหร่เ้าแต่งงนออกบวชเท่าไหร่ก็มีลูกตอนนั้นอะ่ะท่านมีพระโอรสอายุเท่าไหร่แต่งงานอายุสิบกมีพระโอรสอายุที่ิบเก้าอ่ะลองคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่งงานอายุสิบก แต่มีพระโอรสอรยีิบเก้ากระแสสังคมในยุคนั้นมกุฏราชกุมารเมื่อทรงอภิเศกแล้วจะต้องได้กับผู้หญิงที่เป็นเบญจกัลายาณีได้แล้วแต่หลังจากอาภิเศกจะต้องมีพระราชโอรสมันจะถูกบีเพราะสกุลสากยะนั้นโอ้โหมันเยอะมากยั่วเยี่ยไปหมดอ่ะแต่ถ้าไม่มี เระโอรถมันจะทําต้องทํำยังไงเสียหายมากนะ้ยิ่งกว่าคนจีนไม่มีลูกนะนี่ครอบครัวคนจีนไหมเออสมัยก่อนคนจีนอะ่ะพอแต่งงานเสร็จแล้วไม่มีลูกนะหรือมีแต่ลูกหญิงไม่มีลูกชายนะแม่ก็ต้องไปหาคนใหม่มาเป็นเอาหาคนใหม่มาเรื่อยๆหละต้องเอาลูกชายได้ยิ่งกว่านั้นอีกนะยิ่งกว่ากระแสของอย่างนั้นอีกนะเพราะอะไร เพราะในตระกูลในในศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาถือบุตรชายเนี่ยเทพเจ้าประธานที่จะมาสืบทอดนี่แต่งงานอายุสิบกเพราะฉะนั้นพอแต่งงานปั๊บกระแสะความกดดันจากราชกาุมาร์ยะกเนี่ยบีบมาตลอดที่พระเจ้าสุโธธนะพระนางสิมามายา ตรงผ่านเข้ามาสู่เจ้าชายศิธิษฐะและพระนางพิมพาแต่ในประวัติศาสตร์ยังไม่ค่อยได้เขียนไว้หรอกในประวัติศาส์พุทธศาสนาแต่แท้ที่จริงหมายน้นว่าบีบแสดงว่าอะไรแสดงว่าทั้งเจ้าชายทั้งพระพระบิดาพระมารดาทั้งเจ้าชายและพระชายาล้วนแต่ปรารถนาโอรสและไม่ได้อะวันหนึ่งเสด็จออกประพาสอุทยานไปเห็น คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็รู้สึกได้ว่าโหยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นทุกอย่างเลยความหนุ่มความแข็งแรงเป็นเพียงมายาภาพที่ปิดบังความแก่ความอ่อนแอการมีชีวิตอยู่มันเป็นเพียงมายาภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาปิดบังความตายไว เจ้าชายมองสภาพการอย่างนี้เสร็จมองเห็นสัมภัสต์ทั้งหมดที่อาศัยการเกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นไม่มีสัตว์ใดที่มีความสุขจริงๆล้วนจะต้องมาปเผชินกับความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายนี้เหมือนกันหมดไม่เว้นแม้แต่ตัวพระองค์เองพระบิดาพร ะ, พร ะ, ะมาตุจฉาคือแม่เลี้ยงอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้นะว่ามีพระโอรส ปรานามาบจ็บ hey, ปดเก้ายี่ยี่บยี่บสองยบสามยี่บี่ยี่บ้ายี่บกบดยี่ปดยี่บเก้าฮ้ยสบสี่ปีใช่ไหมปรานามาอยู่อ่ะบสี่หรือส3บสาสิบสามปีปรานาพระโอรสมา13าปีถ้าได้แล้วมันควรจะมีความปรีเพรมยินดีปรีดาสำหรับที่จะเฉลิมฉลองขนาดไหนแต่พอไปเห็นมหันตทุก เป็นเสมือนกับภูเขาสามสี่ลูกวิ่งบทขยี้สัตว์ที่เกิดมาจิตของพระโพธิสัตว์ของเจ้าชายสิทธาในตอนนั้นมันมองออกมาจนถึงพวกท่านทุกคนที่นั่งตรงนี้ไม่เว้นสัตว์ที่เกิดมาจากท้องของมารดาเจ้าชายสิทธาทามองเห็นว่าถูกมายาต่างๆเข้ามาบทบังความทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอันจะต้องปรากฏโดยที่เขาไม่ได้เห็น เขาจะต้องเผจิญกับความทุกข์เหล่านั้นแล้กวก็ทรงพิจารณาว่าเราไม่มีประโยชน์แล้วที่จะต้องอยู่ครองราชเป็นพระหมหาจากักรพรรดิเราจะต้องออกไปเพื่อหาโบกรธรรมหาศาสตร์หาวิชาอะไรก็ได้ที่จะรื้อขนบรรดาเราสำประสัดเหล่านี้ขึ้นมาจากกองทุกข์เหล่านี้ให้ได้นี่คือพระปานิธานอันเด็ดเดียว ที่เกิดด้วยอำนาจของมหากรุณาซึ่งเป็นเสมือนกับตาข่ายที่วานไปทั่วทั้งไม่เว้นการเวลาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตวานออกไปแล้วไปสมบูรณ์และสำเร็จกับการกระทำอันยิ่งยวดของพระองค์เมื่อกลับมาถึงที่ตำหนักใกล้ถึงตำหนักเขาบอกพระแม่พิมพาประสูติการแล้ว พอได้ยินเช่นนี้อำนาจมหากรุณาที่มีอยู่แล้วปรารถนามาตั้งสิบสามปีที่จะมีอวรสโดนกดดันมาตลอดแล้ววันนี้ได้แล้วไอ้ความยินดีปีดา ม, มันไม่เกิดแต่ความรักในพระอรถมีไหมมีแต่กำลังของความรักนั้นไม่เพียงพอต่อมหากรุณาที่ปรากฏในขณะนั้นตะขายของมหากรุณานี่มันใหญ่โตมาก พอก็มาบอกว่าพระแม่พิมพาประสูติการเจ้าชายศิษถะทรงรำพึงว่าฮะเรารำพึงว่าฮะพูดบาลีหน่อยดิทรงรำพึงว่าราหูโลราฮูโลโแต่เสียงไม่ใช่แบบนี้นะเพราะกว่านี้เยอะทรงรำพึงว่าราหุโลราูโลแปลว่า บ่วงเกิดแล้วหนอะเห็น ไ, ไหมอำนาจของมหากรุณาที่เป็นตาข่ายอันใหญ่โตนั้นนะ่ะมีกำลังอันแน่นหนาน่นนะพอบอกว่าพระโอรสเกิดแล้วทรงอุทานว่าราหูโลว่าบ่วงเกิดแล้วหนอบ่วงนี่เกิดขึ้นมาเพื่อสำหรับที่จะดึงพระองค์ออกจากมหากรุณาอันนั้นแต่มีกำลังไหมไม่มีกำลังเดินเข้าไปถึงที่ตาหนักก่อนที่จะขึ้น ก่อนที่ขึ้นตําหนักเชิงบันไดไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางชนบทกาลยานีสากิยะกีสาโคตมีเดินเข้ามานนี้แอบรักเจ้าชายสิทธัตถะอยู่นานแล้วแอบก็เรียกว่าแอบมีจิตปฏิพักหลงรักในเจ้าชายสิทธัตถะเพราะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยรอที่สุดในแสนโลกธาตุเพราะสมบูรณ์ด้วยลักษณะของมหาบุรุษสามี่สองประการ เราก็คิดเอาแล้วกันเราเคยเห็นใครที่ว่าลอรอรอรอนะไอ้นั่นไม่ถึงเศษเชี่ยวของเจ้าชายสีดาธะเพราะฉะนั้นนางกีสาคูตมีนี่คนหนึ่งที่หลงรักเจ้าชายสธดาธะอยู่เงียบเงียบไม่ใช่เอฟซีนะหลงรักแบบเงียบเงียบไม่แสดงออกพอเจ้าชายสีดาถะเดินมาในนางกีสาคูตมีนี่เห็นภาพก็ได้เดินมานั่งข้างข้างเพื่อถวายบังคมทูลแล้วก็จะได้ดูรูปร่างหน้าตาเดี๋ยแล้วอินางคนนี้ กก็รำพึงในใจออกมาเป็นเสียงแผ่วๆทำเพลงอีกแล้วเหมือนไปยืนอยู่แถวน้ำตกนิพุตานนาซามาตานิพุตานุนิพุตานนาซานารีนิพุตานนาซามาตานิพุตานนาซาปิตานิพุตานนาซานารีว่าหญิงใดได้เป็นมารดา ข, ของบุรุษนี้ หญิงนั้นเย็นใจได้บุรุษใดได้เป็นบิดาของบุรุษนี้บุรุษนั้นเย็นใจได้นารีใดได้เป็นชายาของบุรุษนี้นารีนั้นเย็นใจได้เจ้าใจศีรษาได้ยินอะไรได้ยินอะไรรู้ไหมครั้งแรกในชีวิตของพระองค์ฮะได้ยินคบว่า น, นิพาน ครั้งแรกในชีวิตของเจ้าชายศิษถะนิพุตานะ่ะแหละคือนิพานแปลว่าเย็นใจได้ในนางกโกนนมันร้องเพลงว่าหญิงใดนะหญิงใดเป็นมารดาของบุรุษนี้หญิงนั้นนะ่ะนิพุตาแปลว่าเย็นใจได้แต่เจ้าชายศิษถะเอาคําว่านิพุต่าคือคําว่าเย็นใจได้นี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์ขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ทำมนตรสิการพิจารณาว่า คำว่านิพานคำว่าเย็นคำว่าดับคำว่าคำว่าดับเนี่ยมันมีอยู่แล้วหลังจากนั้นปรวิคิดออกไปอีกว่าด้วยเหตุนี้เมื่อมันมีกลางวันมันก็ต้องมีกลางคืนใช่ไหมเมื่อมันมีทุกมันก็ต้องมีพ้นทุกสี่อย่างนี้เลยปลดเปลืองเครื่องอาภรณ์ทั้งหมดที่มีให้กับนางคนนี้ ไอ้นางคนนี้ยิ่งหลงไปก็ใหญ่เลยนึกว่านึกว่าโอ้โหเธอร้องเพลงเใช่จนเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องให้รางวัลอย่างใหญ่โตแต่เจ้าชายนี่เปืืองให้เพราะอะไรขอพระคุณที่นางได้พูดคําว่าที่ทําให้พระองค์ได้รู้จักคําว่านิพพานลดเรื่องออกไปหมดเลยแล้วจากนั้นเสด็จขึ้นสู่ตำหนา่งไปจังหวะคือว่าเวลาอะไรมันจะเกิดทุกอย่างมันลงตัวหมดอะ พอเสด็จขึ้นไปข้างบนปกติเนี่ยบนตําหนักจะมีนางรํานักนักร้องแต่งตัวโวยโฉยลักษณะดีๆนั่งรํำเพราะวันนั้นเจ้าชายสิทธัตะเข้าไปมันมืดเลยมันดึกแล้วไอ้พวกน้่มมานั่งรอที่จะร้องรำํำตาเพลงมันหลับเวลาหลับสวยไม่สวยก็ไม่รู้แล้วเว้ยบางคนก็นอนกลนปี <c oughs> บางคนก็นอนอ้าปากบางคนน้ําลายก็ไหลเยอะ <c oughs> ทำให้เจ้าใจยสิทธัตะเสด็จข้าไปถึงเดินผ่านไปอ่ะเห็นในพวกนี้เหมือนอะไรเหมือนซากศพเหมือนซากศพสภาวะหนึ่งปรากฏขึ้นกับพระองค์คืออศัศวะสัญญาแต่เดิมนั่นเป็นสุภะสุภะสุภาษะ ส, สวยสวยสวยวยสยสว ย, สว ย, สว ย, สวยต้องไม่สวยก็รีบแต่งไงมันวสวยรีบจัดการไงมันสวยแต่วันนี้เห็นเป็นอสุภสัญญาเป็นอสุภนิมิตเห็นแล้วจิตสลดอดหูเดินเข้าไปในห้องบรรทมของนาำพิมพาตั้งใจว่า จะเข้าไปโอบลูกลาพันธยาใจนี่คิดถึงอยาะแทบขาดเลยแต่ก็จําเป็นจะต้องออกไปเพราะอํานาจของมหาการุณาที่มีต่อพวกเรานี่แหละถ้าชื่อเจ็บก็จงรู้ไว้ว่าเจ้าชายสิทธาเดินออกจากห้องบรรทมของพระนางพิมพาทอดทิ้งพระโอรสเพราะมหาการุณาที่มีต่อเจ็บ <laughs> ที่มีต่อบวยที่มีต่อพรยวันที่มีต่อทิพที่มีต่อเอกใจที่มีต่อริวทุกคนทุกชีวิตได้รับผลจากพระมหาการุณาของเจ้าชยรรถถายสิทธัตถทั้งหมดมเพราะนั้นชาไม่ได้นี่ขอบใจนะอนุมโมทนาที่ขาไม่ดียังอุสา ทอดั้งขาดมาจามาอย่างนี้แล้วก็ทำให้มันยิ่งหยวดนะเออมันเป็นมันสมควรแล้วยังที่เราจะตรงต่อลมหายใจสมควรแล้วยังที่เราจะตรงต่อกิริยาคือการเคลื่อนไหวของเท้าสมควรแล้วยังที่เราจะต้องตรงต่อทุกๆสภาวะที่ปรากฏตามความเป็นจริงสมควรไหม สมควรที่เรากระโดดลงไปสู่สภาวะต่างๆเพื่อให้เราเป็นอย่างนั้นเพื่อให้เราเป็นอย่างนี้ไหมในขณะที่ปฏิบัติเพื่อไปประทุษร้ายสัมมาสติประทุษร้ายสัมมาสมาธิไปประทุษร้ายสัมมาวิมมะของเราเองสมควรไหมไม่สมควรแล้วอย่ากระโดดลงไปในสภาวะใดๆก็ตามแต่จงออกมาและก็จงต่อสิ่งที่ถูกรู้ทั้งการเคลื่อนไหวของเท้าทั้งลมหายใจของเรา เข้าใจกันตามนี้นะออปลุกให้มันฮึกเหิมเพื่อที่จะสู้กับมันทั้งวันคืนนี้เรายังมีกันอีกยาวไกลอีกหลายชั่วโมง